ในหสองณเหตุปัจจัยกับอาหาราปัจจัยมีสองวาระณอารมณะปัจจัยละถึงมีห้าวาระณอธิปติปัจจัยมี9้าวาระณอันันตระปัจจัยมีห้าวาระณสมณันตระปัจจัยมีห้าวาระณอัญญมัญญะปัจจัยมีห้าวาระณอุปณิสัยปัจจัยมีห้าวาระ ณปุเรชาตปัจจัยมีเจ็ดวาระณปัชชาชาตปัจจัยมีเก้าวาระณอายวณปัจจัยมีเก้าวาระณกรรมปัจจัยมีสามวาระณวิปากปัจจัยมีเก้าวาระณอินทริยปัจจัยมีหนึ่งวาระณชาณะปัจจัยมีหนึ่งวาระณมขะปัจจัยมีหนึ่งวาระณสัมปยุตตปัจจัยมีห้าวาระ ณวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระโนนัติปัจจัยมีห้าวาระโนวิคตาปัจจัยมีห้าวาระตตกะในรอยหกสิบสามณอารามณปัจจัยกับอาหารรปัจัยและเหตุตกปัจจัยมีห้าวาระณอธิปติปัจัจละถึงมีห้าวาระณอนันตระปัจจัยมีห้าวาระณสมนันตรปัจจัยมีห้าวาระ นอัญญมัญญปัจจัยมีห้าวาระนาอุปนิสยปัจจัยกับอาหารปัจจัยและเหตุปัจจัยมีห้าวาระนปุเรชาตปัจจัยละถึงมีเจดวาระนัจชาชาตปัจจใจมีเก้าวาระนอาศวนปัจจัยมีเก้าวาระนกรรมปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจใจมีเก้าวาระนสัมบยุตตปัจจัยมีห้าวาระ ณวิปยุตตาปัจจัยมีสามวาระโนนัติปัจจัยมีห้าวาระโนวิคตปัจจัยมีห้าวาระจตุกไนร้ยหกสิณอธิปติปัจจัยกับอาหารปัจจัยเหตุปัจจัยและอารมณปัจจัยมีสมวาระนปุเรชาตาปัจจัยกับละถึงมีสามวาระณปัจชาชาตาปัจจัยกับมีสามวาระ ณอาศัยวณัจจัยกับมีสามวาระนะกรรมปัจจัยกับมีสามวาระณนะวิปากปัจจัยกับมีสามวาระณนะวิปยุตตะปัจจัยกับมีสามวาระเพึ่อขยายให้พิดารเหมือนวาระที่มีเหตุปัจจัยเป็นมูลอินทริยะทุกกะในรยห65นเหตุปัจจัยกับอินทริยะปัจจัยมีสองวาระณนะอารมณปัจจัย ละถึงมีห้าวาระณอธิปติปัจจัยมีเ้าวาระณอนันตรปัจจัยมีห้าวาระณสมนันตรัปัจจัยกลับอินทริยปัจจัยมีห้าวาระณอัญญมัญญปัจจัยละถึงมีห้าวาระณอุปนิสัยปัจจัยมีห้าวาระณปุเรชาตปัจจัยมีเจดวาระณปัชชาชาตปัจจัยมีเ้าวาระ ณอาศัยวณปัจจัยมีฆ่าวาระณกรรมปัจจัยมีสามวาระณวิปากปัจจัยมีฆ่าวาระณอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระณชาณปัจจัยมีหนึ่งวาระนมรรคปัจจัยมีหนึ่งวาระณสัมปยุตตะปัจจัยมีห้าวาระณวิปยุตตะปัจจัยมีสามวาระโนนัตติปัจจัยมีหวาระ โนวิคตปัจใจมีห้าวาระติกกะในร้อยหกสิณอารมณะปัจใจขับอินทริยปัจใจและเหตุปัจใจมีห้าวาระณอธิปติปั จ, จัยละถึงมี9้าวาระณอันันตระปั จ, จัยมีห้าวาระณสมณันตระปัจใจมีห้าวาระณอัญญามัญญปั จ, จัยมีห้าวาระ นอุปนิสยปัจจัยมีห้าวาระนปุเรชาตปัจจัยมีเจดวาระนาปชาชาตปัจจัยมีเก้าวาระนอาศัยวนปัจจัยมี9ก้าวาระนกรรมปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยกับอินทริยปัจจัยและเหตุตกปัจจัยมี9ก้าวาระนสัมปยุตตาปัจจัยละถึงมีห้าวาระนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระ โนนัติปัจจัยมีห้าวาระโนวิคตาปัจจัยมีห้าวาระจตุกะในร้อยหกสิบเน้าอธิปติปัจจัยกับอินทรียปัจจัยเหตุปัจจัยและอารมณปัจจัยมีสามวาระน้าปุเรชาตปัจจัยกับละถึงมีสามวาระน้าปัจฉาชาตปัจจัยกับมีสามวาระน้าอาศิวนปัจจัยกับมีสามวาระ นกกรรมปัจจัยกับมีสามวาระนะวิปากปัจจัยกับมีสามวาระนะวิปยุตตปัจจัยกับมีสามวาระพึ่งขยายให้พิจารณาเหมือนวาระที่มีเหตุปัจจัยเป็นมูลชาณะทุกไนร้อยห6สิบดนเหตุปัจจัยกับชาณะปัจจัยมีสองวาระนะอารมณปัจจัยละถึงมีห้าวาระ ณอธิปติปัจจัยมีเ้าวาระณอนันตระปัจจัยมีห้าวาระณสมนันตระปัจจัยมีห้าวาระณัญญามนญ์ปัจจัยมีห้าวาระณอุปาณิสยปัจจัยมีห้าวาระณปุเรชาตปัจจัยมีเจดวาระณปัจฉาชาตะปัจจัยกับชานะปัจจัยมีเ้าวาระณอาศัยวะณปัจจัยละถึงมีเ้าวาระ นกกรมปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยมีห้าวาระนมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระณสัมปยุตตะปัจจัยมีห้าวาระณวิปยุตตะปัจจัยมีสามวาระโนนัธิปัจจัยมีห้าวาระโนวิคตะปัจจัยมีห้าวาระเติกกะไนร้อยหกสิบเก้า นอารมณปัจจัยกับชานะปัจจ e ัยและเหต UM ุปัจจัยมีห้าวาระนอธิปติปัจจัยละถึงมีเก้าวาระนอนันตระปัจจัยมีห้าวาระนสมนันตระปัจจัยมีห้าวาระนอัญญมัญญปัจจัยมีห้าวาระนอุปนิสยปัจจัยมีห้าวาระนาปุเรชาตปัจจัยมีเจดวาระนาปชาชาตปัจจัยมีเ้าวาระ นอาศัยวนปัจจัยมีเ้าวาระนกรรมปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยมีเก้าวาระนสัมปยุตตะปัจจัยมีห้าวาระนวิปยุตตะปัจจัยมีสามวาระโนนัตถิปัจจัยมีห้าวาระโนวิคตะปัจจัยมีห้าวาระจะตุกนในร้อยเจ็ดสิบ หนะ้อธิปติปัจจัยกับชานะปัจจัยเหตุปัจจัยและอารมณณปัจจัยมีสามวาระหน้ปุเรชาตะปัจจัยกับละถึงมีสามวาระหน้ปัจฉาชาตะปัจจัยกับมีสามวาระน้อาศัยวนปัจจัยกับมีสามวาระน้กรรมะปัจจัยกับมีสามวาระหน้วิปากปัจจัยกับมีสามวาระหน้วิปยุตตาปัจจัยกับมีสามวาระ พึง ข, ขยายให้พิจารณาเหมือนวาระที่มีเหตุปัจจัยเป็นมูลมัคคทุกขในรอยเจ็สบเอ็ดณเหตุปัจจัยกับมัคคะปัจจัยมีหนึ่งวาระณอารมณปัจจัยละถึงมีห้าวาระณอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระณอนันตระปัจจัยมีห้าวาระณนะสมณันตระปัจจัยมีห้าวาระณนะอัญญมัญญปัจจัยมีห้าวาระ นอุปนณิสยปัจัยมีห้าวาระนปุเรชาตปัจัยมีเจดวาระนปัชชาชาตปัจัยมีเก้าวาระนอาศวนปัจัยมีเ้าวาระนกรรมะปัจัยมีสามวาระนวิปากะปัจใจมีเก้าวาระนสัมปยุตตาปัจัยมีห้าวาระนวิปยุตตาปัจัยมีสามวาระ โนนติปัจจัยะคัมมคคขปัจจัยมีห้าวาระโนวิคตาปัจจัยละถึงมีห้าวาระเตดกะในร้อยเจ็ดสิสองณอารมณะปัจัจคัมมัคขปัจัยและเหตุปัจัยมีห้าวาระณอธิปติปัจจัยละถึงมีเก้าวาระณอนันตระปัจจัยมีห้าวาระณสมนันตระปัจจัยมีห้าวาระ นอัญญามัญญปัจจัยมีห้าวาระนอุปนิสยปัจจัยมีห้าวาระนาปุเรชาตปัจจัยมีเจดวาระนปัจชาชาตปัจใจมีเก้าวาระนอาศัยวนปัจจัยมีเก้าวาระนกรมมปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจใจมีเก้าวาระนสัมปยุตตาปจจัยมีห้าวาระนวิปยุตตาปจจัยมีสามวาระ โนนัตถ์ปัจจัยมีห้าวาระโนวิคตาปัจจัยมีห้าวาระจตุกนายร้อย็สินอธิปติปัจจัยกับมคคะปัจจัยเหตุปัจจัยและอารมะณปัจจัยมีสามวาระนาปุเรชาตปัจจัยกับละถึงมีสามวาระนาปชัชชาตปัจจัยกับมีสามวาระนอาศัยวะนปัจจัยกับมีสามวาระ กรรมปัจจัยกับมีสามวาระนวิปากปัจจัยกับมีสามวาระนวิปยุตตะปัจจัยกับมีสามวาระพึงขยันให้พิดารเหมือนวาระที่มีเหตุปัจจัยเป็นมูลสำปรยุตตะทุกขกนร้อยเจ็สิบสี่ น, น, นเหตุปัจจัยกับสำประยุตตะ ป, ปัจจัยมีสองวาระนะอธิ ป, ปติปัจจัยละถึงมีสามวาระนาะปุเรชาตะ ป, ปัจจัย มีสามวาระณปัจฉาชาติป <fol> ัจจัยมีสามวาระณออเสวนปัจจัยมีสามวาระนกรรมปัจจัยมีสามวาระณวิปากปัจจัยมีสามวาระณชาณปัจจัยมีหนึ่งวาระนมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระณวิปยุตตะปัจจัยมีสามวาระติดกระในร้อยเจ็ดสิบห้า นอธิปติปัจจัยกับสัมปยุตตะปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระนาปุเรชาตะปัจจัยละถึงมีสามวาระนปัจฉาชาตะปัจจัยมีสามวาระนอาศิวนปัจจัยมีสามวาระนกรรมะปัจจัยมีสามวาระนวิปากะปัจจัยมีสามวาระนวิปยุตตะปัจจัยมีสามวาระ พึงขยายให้พิจารณาเหมือนวาระที่มีเหตุปัจจัยเป็นมูลวิปยุตตะทุกกะในร้อยเจ็ดสิบหณเหตุปัจจัยกับวิปยุตตะปัจจัยมีสองวาระณนะอารมณะปัจจัยละถึงมีห้าวาระณนะอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระณนะอันันตระปัจจัยมีห้าวาระณนะสมนันตระปัจจัยมีห้าวาระณนะอัญญมัญญปัจจัยมีห้าวาระ นอุปนิสยปัจจัยมีห้าวาระนะปุเรชาตะปัจจัยมีห้าวาระนะปัจฉาชาตะปัจจัยมีเ้าวาระนอาศวณปัจจัยมีเ้าวาระนกรรมปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยมี9้าวาระนาะชาณปัจจัยมีหนึ่งวาระนะมะามขะปัจจัยมีหนึ่งวาระนะสัมปยุตตปัจจัยมีห้าวาระ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 นาอุปนิสยปัจจัยกับวิปยุตตะปจจัยและเหตุปัจจัยมีห้าวาระนปุเรชาตะปจจัยละถึงมีห้าวาระนปัจฉาชาตะปจจัยมีเก้าวาระนอาศิวนปัจจัยมีเก้าวาระารนกรรมปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยมีเ้าวาระนสัมปยุตตะปจจัยมีห้าวาระโนนัติปัจัยมีห้าวาระ นวิคตตาปัจจัยมีห้าวาระจะตุกในร้อยเจ็ดณอธิปติปัจจัยขวิปยุตตาปัจจัยเหตุุปัจจัยและอารมณปัจจัยมีสามวาระณปูเรชาตาปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระณปัจฉาชาตาปัจจัยกับมีสามวาระณอเศวณปัจจัยกับมีสามวาระนกรรมปัจจัยกับมีสามวาระ นวิปากับปัจจัยกับมีสามวาระปัญจกะใ น, นะร้อยเจ็ดสนปัจฉาชาตาปัจจัยกับวิปยุตตาปัจจัยเหตุปัจจั ย, ปปจจยอารมณ ป, ปัจจัยและอธิปติปัจจัยมีสามวาระณนะอาศัวนปัจจัยกับละถึงมีสามวาระนกะกรรมปัจจัยกับมีสามวาระนะวิปากับปัจจัยกับมีสามวาระทวาทัศกะใน หนึปนับปัจฉาชาติปัจจัยเขาวิปยุตตาปัจจัยเหตุปัจจัยอารมณปัจจัยอธิปติปัจจัยอานันตระปัจจัยสมนันตระปัจจัยสหชาติปัจจัยอรญยมรญคปัจจัยนิสยปัจจัยอุปนิสยปัจจัยและปูเรชาติปัจจัยมีสามวาระนับอาสัยวะนปัจจัยกับละถึงมีสามวาระนกกรรมปัจจัย กับมีสามวาระนวิปากะปัจจัยกับมีสามวาระเตวีสักกะในสาเสวนะร้อยปดสิบาชาตาปัจจัยกับวิปยุตตาปัจจัยเหตุปัจจัยละถึงปุเรชาตาปัจจัยอาเจวนะปัจจัยกรรมปัจจัยอาหาราปัจจัยอวิคตปัจจัยมีสามวาระนวิปากะปัจจัยกับ ละถึงมีสามวาระจุดทศกะในสวิปากะร้อยแปบสองนปัจฉาชาตะปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยเหตุปัจจัยละถึงปุเรชาตะปัจจัยกมมรรมปัจจัยและวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระห น, นาอาศัวนปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระเตวีจักรในร้อยแปดสิบสาม นภัชชาตปัจจัยกับวิปยุตตาปัจจัยเหตุตกปัจจัยละถึงปุเรชาตปัจจัยกามะปัจจัยวิปากปัจจัยอาหาระปัจจัยละถึงอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระน้าอาศัวณปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระอธิทุกะในัยแปดสนเหตุตกปัจจัยกับอธิปัจจัยมีสองวาระ นาอารมณปัจจัยละถึงมีห้าวาระนาอธิปติปัจจัยกับอธิปัจจัยมีเก้าวาระนาอนันตระปัจจัยละถึงมีห้าวาระนาสมานันตระปัจจัยมีห้าวาระนาอัญญมัญญปัจจัยมีห้าวาระนาอุปนิสยปัจจัยมีห้าวาระนาปุเรชาตปัจจัยมีเจดวาระนาปัจชาชาตปัจจัยมีเก้าวาระ ณอาศัยว ณ, clapping, ณ, uniform, ณ, acres acres acres را, ณัจจัยมี9้าวาระนกรรมปัจจัยมีสวาระณวิปากปัจจัยมี9้าวาระณอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระณอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระณชานะปัจจัยมีหนึ่งวาระนมรคปัจจัยมีหนึ่งวาระณสัมปยุตตาปัจจัยมีหวาระณวิปยุตตาปัจจัยมีสวาระโนนติปัจจัยมีหวาระ นวิคตปัจจัยมีห้าวาระติกกะในร้อยแปดสิห้าณอารมณปัจจัยกับอธิปัจจัยและเหตุปัจจัยมีห้าวาระณอธิปติปัจจัยละถึงมีเก้าวาระณอานันตระปัจจัยมีห้าวาระณสมณันต ร, ประปัจจัยมีห้าวาระณอัญญามัญญปัจจัยมีห้าวาระณอุปนิสยปัจจัยมีห้าวาระ นาปุเรชาตปัจจัยมีเจวาระนาปัจฉาชาตปัจจัยมี9้าวาระนอาศวนปัจจัยกับอธิปัจจัยและเหตุปัจจัยมีเ้าวาระนกรรมปัจจัยละถึงมีสามวาระณวิปากปัจจัยมีเ้าวาระณสัมปยุตตาปัจจัยมีห้าวาระณวิปยุตตาปัจจัยมีสามวาระโนนัติปัจจัยมีห้าวาระ นวิคตปัจจัยมีห้าวาระจรตุกไนร้อยแปดสหณอธิปติปัจจัยกับอันธิปัจจัยเหตุปัจจัยและอารมณปัจจัยมีสามวาระณปุเรชาตาปัจจัยกับละถึงมีสามวาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับมีสามวาระณอเศวณปัจจัยกับมีสามวาระณกรรมปัจจัยกับมีสามวาระ ณวิปากะปัจจัยกับมีสามวาระณวิปยุตตะปัจจัยกับมีสามวาระพึ่งขยายให้พิจารณาเหมือนวาระที่มีเหตุปัจจัยเป็นมูลนัตถิวิคตะทุกกะในรอยแปดสเและเหตุปัจจัยกับนัตถิปัจจัยละถึงวิคตะปัจจัยมีสองวาระณอธิ ป, ธปติปัจจัยกับละถึงมีสามวาระ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 พึงขยายให้พิสดารเหมือนวาระที่มีอา ร, รมณะปัจจัยเป็นมูลอวิคตะทุกกะในร้อยแปดสปณเหตุปัจจัยกับอวิคตะปัจจัยมีสองวาระณนะอารมณปัจจัยละถึงมีห้าวาระณนะอธิปติปัจจัยมี9้าวาระณนะอนันตระปัจจัยมีห้าวาระณนะสมนันตระปัจจัยมีห้าวาระณนะอัญญมัญญปัจจัยมีห้าวาระ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 ณมัคคับปัจจัยมีหนึ่งวาระณนะสัมปยุตต ป, ปัจจัยมีห้าวาระณนะวิปยุตต ป, ปัจจัยมีสามวาระโนะโนัติปัจจัยมีห้าวาระโนวิคตะปัจจัยมีห้าวาระปิสกะในร้อยแปดสิบาณอรมณะปัจจัยกับอวิคตะ ป, ปัจจัยและเหตุปัจจัยมีห้าวาระณนะอธิปติปัจจัยละถึงมีเก้าวาระ ณอน er ันตระปัจจัยมีห้าวาระณสมันตระปัจจัยมีห้าวาระณัญญมัญญปัจจัยมีห้าวาระณอุปนิสัยปัจจัยมีห้าวาระณปุเรชาตะปัจจัยมีเจดวาระณปัจฉาชาตะปัจจัยมีเ้าวาระณอาศัยวะนปัจจัยมีเ้าวาระณกรรมปัจจัยมีสามวาระณวิปากปัจจัยมีเ้าวาระ นัสัมปยุตตะปัจจัยมีห้าวาระนวิปยุตตะปัจจัยมีสามวาระโนนัธิปัจจัยมีห้าวาระโนวิขตปัจจัยมีห้าวาระพึงขายายให้พิจารณาเหมือนวาระที่มีเหตุตกปัจจัยเป็นโมลการนับจํานวนปัใจจัยในอนุโลมปัจจนียะจบ เจยะปัญจญจานุโลมนเหตุทุกกในร้อยเก้าสิบอารมณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระอัอนันตรปัจจัยละถึงมีสองวาระสมนันตระปัจจัยมีสองวาระสหชาตปัจจัยกับนัเหตุปัจจัยมีสองวาระอัญญมัญญปัจจัยละถึงมีสองวาระนิจยปัจจัยมีสองวาระ ปณิสยปัจัยมีสองวาระปุเรชาตปัจัยมีสองวาระอสิวนปัจัยมีสองวาระกรรมปัจัยมีสองวาระวิปากปัจัยมีหนึ่งวาระอหราปัจัยมีสองวาระอินทริยปัจัยมีสองวาระชานะปัจัยมีสองวาระมัคคปัจัยมีหนึ่งวาระสำยุตตปัจัยมีสองวาระ วิปยุตตาปัจจัยมีสองวาระอธิปัจจัยมีสองวาระนัตถิปัจจัยมีสองวาระวิคตะปัจจัยมีสองวาระอวิคตะปัจจัยมีสองวาระติกกะในรอยเก้าสิบหะชาตปัจจัยกับนเหตุถูกปัจจัยและนัอารมณะปัจจัยมีหนึ่งวาระอัญญามัญญะปัจจัยละถึงมีหนึ่งวาระ นิจยปัจจัยมีหนึ่งวาระกรมปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหาราปัจจัยมีหนึ่งวาระอินทริยปัจจัยมีหนึ่งวาระชานะปัจจัยกับนเหะถุปัจจัยและนอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปยุตตะปัจจัยละถึงมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระ ส, ส, ส, ส, สัตกะในรยเก้สหชาตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยณอารมณปัจจัยณอธิปติปัจจัยณอนันตรปัจจัยณสมนันตระปัจจัยและณอัญญามัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระนิจญยปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระกัมมปัจจัยกับมีหนึ่งวาระวิปากปัจจัยกับมีหนึ่งวาระ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 กลับนเหตุปัจจัยณอารมณปัจจัยณอธิปติปัจจัยณอนันตรปัจจัยณสมนันตระปัจจัยณอัญญมัญญะปัจจัยณอุปนิสัยปัจจัยณปุเรชาติปัจจัยณปัจฉาชาติปัจจัยและณอาเสวณปัจจัยทุกปัจจัยจนถึงอาเสวณปัจจัยเหมือนกันเมื่อนับณกรรมปัจจัยเข้าแล้วก็มีห้าวาระ สหชาตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยณอารมณปัจจัยละถึงณอาศุวนปัจจัยและนกกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระนิสยปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระอาหาราปัจจัยกับมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระจุดทศกัในรยเก้าี่ สหชาติปัจจัยกับนเหตุปัจจัยณอานอรมณปัจจัยณอธิปติปัจจัยนอนันตรปัจจัยณสมนันตรปัจจัยณอัญญมัญญปัจจัยณอุปนิสยปัจจัยนปุเรชาติปัจจัยณปัจฉาชาติปัจจัยนอาศิวนปัจจัยนกรรมปัจจัยณวิปากะปัจจัยและณอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระ นิจญาปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับมีหนึ่งวาระอวิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระเอกกวีจกะในร้อยเก้าสห้าสหชาตาปัจจัยกับนเหตุปัจจัยณอารมณปัจจัยณอธิปติปัจจัยณอนันตระปัจจัยณสมนันตระปัจจัยณอัญญะมัญญปัจจัยณอุปนิสยปัจจัย นบุรชาตะปัจจัยณปัจชาชาตะปัจจัยณอาศัยวณปัจจัยนกรรมปัจจัยณวิปากลปัจจัยณอาหาราปัจจัยณอินทรียยปัจจัยณชานะปัจจัยนมฆ่าปัจจัยณสัมพยุทธปัจจัยณวิปพยุทธปัจจัยโนณถิปัจจัยและโนวิพตปัจจัยมีหนึ่งวาระนิษยปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระ อธิปัจจัยกับมีหนึ่งวาระอวิคตะปัจจ RN, ัยกับมีหนึ่งวาระณอารมณทุกขไในร้อยเก้าหเหตุปัจจัยกับณอารมณปัจจัยมีห้าวาระอธิปติปัจจใจละถึงมีห้าวาระสหชาตะปัจจัยกับณอารมณปัจจัยมีห้าวาระอัญญมัญญปัจจใจละถึงมีหนึ่งวาระ นิจยะปัจจัยมีห้าวาระกรมมปัจจัยมีห้าวาระวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระอหาระปัจจัยมีห้าวาระอินทรียะปัจจัยมีห้าวาระชาณปัจัยมีห้าวาระมัคคปัจจัยมีห้าวาระวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระอธิปัจจัยมีห้าวาระภวิคตะปัจจัยมีห้าวาระติกกะใน ร้อสหชาติป e ัจจัยกับนอารมณปัจจัยและนิเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอัญญามัญญปัจจัยละถึงมีหนึ่งวาระนิจญาปัจจัยมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระชานะปัจจัยมีหนึ่งวาระ วิปยุตะจจยะจจยะตะปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปัจัจมีหนึ่งวาระอวิคตตะปัจจัยมีหนึ่งวาระพึงขยาให้พิจารณาเหมือนวาระที่มีเนเหอตุปัจจัยเป็นมูลหน้าอธิปติทุกไนร้อยเก้สปดเหตุปัจจัยกับนณอธิปฏิปัจจัยมีเก้าวาระอารามะนปัจจัยละถึงมีสามวาระอนันตระปัจจัยมีสามวาระ สมณันตระปัจจัยมีสามวาระสหชาตปัจจ okay. ัยมีเก้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระนิสยปัจจัยมีเก้าวาระอุปนิสยปัจจัยมีสามวาระปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระอสิวะนัปัจจัยมีสามวาระพรมปัจจัยมีเ้าวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหาราปัจจัยมีเก้าวาระอินทรียะปัจจัยมีเ้าวาระ ชาณะปัจจัยมีเก้าวาระมรรคปัจจัยมีเก้าวาระสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระวิปยุตตปัจจัยมีเก้าวาระอธิปัจใจมีเก้าวาระนณทิปัจจัยมีสามวาระวิคตะปัจจัยมีสามวาระอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระติกกะในร้อยเก้าสิบ อารมณะปัจจัยกับนาอธิปติปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีสองวาระอนันตระปัจจัยและถึงมีสองวาระสมนณันตระปัจจัยกับนาอธิปฏิปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีสองวาระสหชาตปัจจัยและถึงมีสองวาระอัญญามัญญปัจจัยมีสองวาระนิจยปัจจัยมีสองวาระออปานิจยปัจจัยมีสองวาระ บุเรชาต์ปัจจัยมีสองวาระอาิวนาปัจจัยมีสองวาระกรรมปัจจัยมีสองวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระมหาราปัจจัยมีสองวาระอินทรียปัจจัยมีสองวาระชานะปัจจัยมีสองวาระมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระสัมปยุตตาปัจจัยมีสองวาระวิปยุตตาปัจจัยมีสองวาระอธิปัจจัยมีสองวาระ นัตถิปัจัจมีสองวาระวิคตะปัจัยมีสองวาระอวิคตะปัจจัยมีสองวาระเจตุกในสองร0สหาชาตปัจจ <the> ัยก <idelity> <the Sim ogram> ับนัอธิปติปัจใจนัเหตุปัจจัยและนอารมณปัจใจมีหนึ่งวาระอัญญามัญญปัจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระนิสยปัจัยกับมีหนึ่งวาระกรรมะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระ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 เทถุปัจจ enfin ัยก <t ary> ับณอนันตรปัจจัยณสมนันตระปัจจัยณอัญญมัญญะปัจจัยและณอุปนิสยปัจจัยมีหวาระอธิปติปัจจัยกับละถึงมีหวาระสหชาตะปัจจัยกับมีหวาระัญญมัญญปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนิสยปัจจัยกับมีห้าวาระกรรมปัจจัยกับมีห้าวาระวิปากปัจจัยกับ มีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับมีหวาระอินทริยปัจจัยกับมีหวาระชาณปัจจัยกับมีห้าวาระมรรคปัจจัยก nah ับมีห้าวาระวิปยุตตะปัจจัยกับมีหวาระอธิปัจจัยกับมีห้าวาระอวิคตะปัจจัยกับมีห้าวาระเต็กกะไนสองสอง สหชาตาปัจจัยก kind of kind of ับนาอุปนิสยปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอัญญามัญญาปัจจัยและถึงมีหนึ่งวาระนิสยปัจจัยกับนาอุปนิสยปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยละถึงมีหน vale uh ึ่งวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอหาระปัจจัยมีหนึ่งวาระอินทริยปัจจัยมีหนึ่งวาระ ชาณปัจจัยมีหน anyway ึ่งวาระวิปยุตตาปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อนภูเรชาตะทุกกนายสอง้อยสามเหตุปัจจัยกับนปุเรชาตะปัจจัยมีเจ็ดวาระอารมณปัจจัยละถึงมีสามวาระอธิปฏิปัจจัยมีเจดวาระอนันตรปัจจัยมีสามวาระ สมณันตระปัจจัยมีสามวาระสหชาติปัจจัยมีเจดวาระอัญญามัญญปัจจัยมีสามวาระนิจยปัจจัยมีเจดวาระอุปนิจยปัจจัยมีสามวาระอสิวะนปัจจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยมีเจ็ดวาระวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระอหาราปัจจัยมีเจ็ดวาระอินทรียะปัจจัยมีเจดวาระชานะปัจจัยมีเจ็ดวาระ มัคปัจจัยมีเจดวาระสัมปยุตต ป, ปัจจัยกับนบปุเรชาต ป, ปัจจัยมีสามวาระวิปยุตตาบัตใ จ, จละถึงมีห้าวาระอธิปัจจัยมีเจดวาระนัจจะติปัจจัยมีสามวาระาวิคตาบัจัยมีสามวาระอวิคตาบัจัยมีเจดวาระเทกะในสองยสี่ อารามณะปัจจัยกับนาปุเรชาตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระอานันตรปัจจัยละถึงมีสองวาระสมณันตระปัจจัยมีสองวาระสหชาตปัจจัยมีสองวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสองวาระนิสยปัจจัยมีสองวาระอุปนิสยปัจจัยมีสองวาระอจัยวะณปัจจัยมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยมีสองวาระ วิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหาราปจจัยมีสองวาระอินทรียาปจจัยมีสองวาระชานปัจจัยมีสองวาระมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระสำปรยุตตปัจจัยมีสองวาระวิปยุตตะปจจัยมีหนึ่งวาระอัติปัจจัยมีสองวาระนัติปัจจัยมีสองวาระวิคตาปจจัยมีสองวาระอวิคตะปัจัยมีสองวาระ จตุกนายสองหสหาชาตาปัจจัยกับนาปุเราชาตาปัจจัยนะเหตุปัจจัยและนะอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระอัญญบัญญปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระนิจยปัจจัยกับมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยกับมีหนึ่งวาระวิปากะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระอาหาระปัจจัยกับมีหนึ่งวาระ